ดวงตาไงตาฟ้าตาฟ้าจะมูเมืองเป็นไม่ได้ทางนั้นเป็นร่างของโรคเขาร่างกายประกอบดปวของสี่อย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพราะธาตุดินกำเริก็ทายไม่ออกว่าพองภูกอีกเพราะธาตุน้ำกำเริก็ทายพูดพลาดพูดพลาดออกว่าทายทองอีกเพราธาตุลมกำเริก็เฮ่าฮ่าเฮ่าโน่นเป็นลมอีก พัดไฟกาเริ่มคนนอนตัวร้อนหนยุน ทีนี้เราก็ดูในรูปเราไม่เที่ยงแล้วไปอยากได้รูปใครล่ะอืมมันใกลไม่มันมนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าหลงอยากได้รูปคนอื่นเขาลงมาล่ะแล้วไปโกรธใครล่ะโกรธของรูปที่คนที่ไม่เที่ยงทําตัวเองมแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าคนหลงท <c oughs> ี่รูปวันนี้เราจะเป็นลงกันกนะแล้วก็ไม่เอานั่นแหละลก็เรียกละวางแล้วที่นี่ ทุกเมล่อจิตแล้วก็สงบให้รูปเป็นทุกข์กระเดื่องรูปแล้ือนวกันกนี่ทุกในการเกิดือ้จนี่ก็ได้เลยภายในก็เอาไปด้วยปวดเมื่อยเนี่ยมันยืดที่รูปอ่ะวางได้มะมวางไม่ได้นะมันก็ต้องโยกทีรูปมันแหละจิตแล้วจะไม่ยืดมันสิว่าตัวตนสิรู้ว่าโอ้มันยืดที่รูปนะเห็นไหมหน้าเบื่อหน่ายเมื่อไหรเอาไปไหนก็กระพายไปด้วย แต่ทุกยักษ์ได้หนึ่งยักษ์ได้นี่ยวางได้ให้ทุกยุคกระโดววางไม่ได้แล้วติดรูปไปจ น, นตายมันแหละข้าใจมังนเมันแบงสองอย่างนะเอะก็จอดยู่นี่อ่ะ มีปัสนาคือตัวปัญญายังนั่งเฉยอย่างนี้สมาธินะ่ะไม่รู้เรื่องเนีะก็นั่งนิ่งเฉยแนั่นแหะแต่ยังเรียกสมาธิอัวโตทีนี้เราใช้ปัญญาพิจารณาสิยังไงเขาเรียกไม่เทียนที่มันอยู่ด้วยปัญญามาัยังไงเรียกว่าทุกยังไงเรียกสุขภพต้องใช้ปัญญาดูอจะได้กาจัดกิเลสจะ ไ, ได้หายลงอ่า นี่มันลงอยู่นั่นเลยลงเยอะจะตะกู้อยู่นั่น เ, เนี่ยเขาบวชกันเนี่ยอย่างนี้นะบวชเนี่ยมันบวดรูปบวดรู้เพื่ออะไรเพื่อธรรมะจิตสะอาดพระอยู่ตรงนั้นนะตรงจิตสะอาดจิตที่ไม่เอาแล้วเนะี่ยะพระอยู่ตรงนั้นไม่ใช่พระอยู่ตรงบวชเด็อุบบัณิกาก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงจิตจิตละวางน่ะบัิกาอยู่ตรงนั้น อันนี้เองเราคิดดูเถอพิจนาเถอะสิเอามาบวชตรงนี้มันกบวรูอไอาไปบวตรงนน้นก็บวรูจริงวะบวดตรงไหนมันก็บวรูแท่ทีนี้ไปดูเดี๋ยวสร้างโบสถ์ไปราคาเท่าไหรบ่บางหลังตั้งยี่สิบล้านแล้วคนไปบวชจะเป็นพระได้ไหมมันไอ้รูปอภารเรืองคลุ้มนั่นแหละเห็นเหมล่ะแล้วอุปชา้าก็ไอ้รูปนั่นแหละอพารเรืองคลุ้มนะั่น่กนหัวเรืองคลุมนั่นแหละ พุสวดิ์ก็รูปนั่นแหละยิงเวลาพระดับไอรูปนั่นแหะแล้วละวางก็ได้อย่างแล้วมาคุยกูเป็นพระทีนี้แข่โง่กันแน่น่ะฮะเอี <c oughs> บวชตั้งเก้าชาสีพทราละวางไม่ได้เลยแต่เองแต่เองละวางได้มาดีฝาเดียเนี่ยก็ไอรูปเหมือนกันน่ะนี่รูปผู้หน้ารูปผู้ชายอรูปนี้รูปผู้หญิงยิงเวลาคงไม่เที่ยงเหดียวกันของซบรวมเหมือนกัน แต่องละวางได้เอมดี่าเขาได้เนี่ยตัวขาตรตวมันทั้งนั้นเลยบางอย่าจะไปหลงนี่เห็น ม, มาหมาทั้งนี้ตามบวชคีพาาันซ่าแล้วเอองโง่โม้อวดก็ไม่เกี่ยวในาามันซ่ามันช่วยไรไดฮะมันซ่าเครื่องหมายรว่าแก่แล้วกันยิ่งละแต่รู้มะอ่างมันซ่าบวชธอนาานาาั้ซานนี้มันซ่า แล้วนั่งทำโทษทำเองกมนมาการแก่ก็ได้ออเจะคุ้นจะเขินนันาการแก่ก็ได้ไห ม, ก, ม, ก, ก, ไไหมก็กันไม่ได้งั้นเรามายืดเดือดทำไมไปเร่เก้าวยนะมันแกะมันรู้ไหมว่าขี้มันก็ะเมนเยอยกระเมนนะเห็นนั่นจะอ้ามอะไรอ่ะเป็นนั่งเป็นด ม, มือไหวยอยู่พันนี้ไหวอะไรกันไหว้ข้งกระดูกมาออมันดีมาทั้งเลือ่อนทั้งเลือเล่อนนี่โ ง, งกระดูกกูละเป็นมหาย ก็เห็นก็มีข้องมาดูพนาเอาเนี่ยต้องไหว้ใครกันน่ะไหว้ข้องมาดูกันทั้งนั้นนั่นน่ะเงินก้านนั่นน่ะทุกเรื่องนั่งไหว้นีย่ววยไหวทุกเรื่องประจักษ์พระพุทธเจ้าเนื้อจากยังนี <c oughs> ่พระพูดคือตัวรู้ ที่เรารู้นี่ว่าตัวรู้ ร, รู้ว่าโออนันทาสีตาดินทาน่านน้ำท่านลมท่านไฟเรารู้นี่แหละรู้องในโลกเป็นของไม่เที่ยงตัวรู้เนี่ยคือพระพุทธขจารมคือพระเจ้าพระเรียกผู้รู้ผู้ดได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตตถาคตคือผูร้รู้เขารู้นะ น, นี่เขาก็ละวงังเขาก็เห็นในของในโลกเป็นของไม่เที่ยงนั่นพระธรรมทั้งหมดแต่นี้เขาตั้งแต่ละวางนั่นแหละจิตที่ละวางหมดกิเลสแล้วนั่นแะระสงค์ มีตัวตนที่ไหนอะแล้วยังอยู่ในโลกขพองพระพุทธปฏิมาท ร, ารงอนะยังยู่มนะก็ยังอยู่ทั้งนั้นแหละแล้วคุยว่าไม่มีแล้วบาคนไม่มีแล้วแล้วขึ้น อ, อะไรละ่ละเนี่ยเราันอยู่ที่เราทั้งนั้นล่ะอือ เ ห, ห, ห็นมะเข้าใจมะไม้ยุดไร้วันแล้วนะมันน่าเข้าใจนี่เองอ๋มันก็พุงแทงนะลูกไม้เลยเมืนะ่ะมันพุ่งแทงจะอะไรมันแห้งมันผสมกันยิงเวลมามะม่วงยกตัวอย่างมะม่วงเนี่ยไม่ขึ้นจากมเมล็ดไง ม, มะเอาเมล็ดไปปลูกยิงเวละแล้วมันก็ขึ้นเป็นต้นออกมาแล้วมันก็มีลูกอีกแล้วก็ลูกมปปลูกอีก ก็นี่เด้อลูกก็ไปพอพันธกันอีกแล้วมันจะหมดยังไงอ่เนื้อยังเวล่ะมันก็เหมือนว่าม่วงอ่ะนะไม่เอามันม่มีลูกอ่ะเนี่ยไม่มีลูกกันแล้วลูกก็ไปสสมพันธุ์อีกแล้วจะหมดยังไงอ่ะเนอเหมือนมาม่วงเหมือนละแล้วไม่เอาไปเอาเม็ไปปลูกเด้อมันก็สูญพันธุ์ก็นี่เหมืนนเลจะไม่มีแฟนเด้อมันก็ไม่มลูกน่าเขาก็สูญพันธุ์ แม่ที่นี่ไปผสมยุบนั่นมาซูนพันเนี่ยกง่ายอ่ะไม่ถ้าไอซูนพันก็ได้เนี่ยย้ให้ประผสมก็สเนี่ยมันมันอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละกระจายถ้าง่ายดังเนี โอ้มันไม่ดีต่งกับสาเศร้านี่แหละไเ่เกแกนะนั่นแหละก็ให้เขาวัดทิศแล้วมาสาวทีนี้คอยแกแล้วก็เขาทีศนึกลูกก็โอยนั่งก็โอยที่เมื่อเขาวัด้า ว, าวไม่ได้อีกเขาลงพระอีก <c oughs> ว่าเนาะร้องพระอีกแม่คนอ่ะเพราะคนไม่ีปัญญาซะหน่อยจะไม่มีจะไม่แต่งงานหาว่าเทนทึกอีกสินคานอีกโอ้ยอยากนุ่นเนี่ย คนมีปัญญาเนี่ยไปนิพพานปพัฒนาอย่างเดียืนไปไม่ได้ต้องปฏิบัติไอ้ท่านละท่างซื้อเนี่ะเอาไป อ, าอ่านไปเลยแชร์กันบ้างที่หมูบ้าแหละหมูอะไรนะเอาไปอา่านค่ะท่านยากจะรู้ว่าร่างกายแล้วเป็นธาตุสียังไง แล้วเรั้งจำนวนไปเพราเราตายพับเนี่ยดูคนตายสยิเนื้อเนี่ยหนังนี่หลุดไปเป็นดินไหมแล้วไอ้น้าเนเนี้อมันเป็นน้ำไหมมันจะซึมลงไปในดินและไ้ลมไอ้ใจมันก็ออกฉิบไอ้ความรม้อนก็ออกไปฉิบเป็นมหมเพราะตายจากสิบกว่าวันนะั้นสิบห้าวันเนี่ไอ้ท่านล้มไปฉิบแล้วท่านไฟก็ไปฉิบแล้วเหลือที่นี่เหลือท่านน้ากับท่าน ด, ดิน ทีนี้เราขึ้นเป็นอึงองน่ะนี่ทีนี่ธาตุดำก็เริ่มแหละเซอซอธาดินแหละรุดลุยลุดไปรุดไปจริงนะนาเขาเหลือแต่โครงกระดูกในโครงกระดูกยังไม่ทาตอีกธาดินนําลงไฟอีกยังเปียกอยู่อีกนะฮะชุ่มชื้นนาข้าวมันก็เลเหยืออกไปนําก็เลเหยไปหมดเหมือนยัางกรเดเผานั่นเหยืไปนะไปไ ป, ไปก็หมดวัฒภาพรุ่ยกลายเป็นดิน หมดจริงวันละอย่าขอให้พี่นานะอย่างนี้ก็เห็นว่าโอ้เนี่ยมันของซี่อย่างรวมเป็นรูปนี่เองแล้วไปเพื่ออยู่วันี้กับทกัปรกเห็นไหมก็ไปลงนั่นแหละลง ข, ข้องไม่เที่ยงอันนี้แล้วก็เข้าใจเข้าหมดมาก็ไม่ลงลงรูปเห็นไหมยังไงเขาเรียกลงรูปล้วเคยลงก็มาแล้วทีนี่ก็รับมั่งเนี่ยนะลง ข, ข้องไม่เที่ยง <c oughs> เออนี่ยสิแต่มันไม่ยังไม่สายถ้าเราใต้ถึงจะสายทีนี้เพราไปมีลูกครับเนี่ยมันมันทุงหนี้มันแหละเห็นมั้ยล่ะมันจะเอะไรก็ต้องให้มันด้วยปานเงยเปรย์มันจะอะไรต้องให้มันทีนี้ว่าทั้งโลกว่าจิตเป็ลูกเราก็แน่สิรับปรุงแต่งขึ้นมาแต่จิตมันปรุงแต่งมัได้มหม ต้องแตงมันไม่ได้จิตมัดที่ล่างมัดส่วนจิตมันมีกั้มกับพ่อกับแม่แล้วแหละเหันละ่ะทีนี้มันก็มาทวงนี้เ่มาจะเอาเอะไรก็ตงให้มันจะเอะไรก็ต้อทายมันว่าต้องดูใดูคว น, นี่ยนะเมื่อสมัยคุณอยู่บ้านเนะี่ยะแม่เท่าเขาบอกนะมีเงินชนะเจ็บไปรักษาเสี่ยงเงินเดี๋ยวก็มีเงินอีกทำไรมันหนาวเนอะก็ได้ผลพอคุณมานี้แล้วเดยนี้เป็นไงถาไม่ได้ผล ไอ้บารมีข้าวเนั่นะคุมใช็หไหมกระโบนี่ยแหะมันทวงนี้มันจนหมดแล้วลกรเลับเนี่เห็นไหมละ่ะให้มันทวงข้าบางเห็นไหมถึเมงเรียกว่าสรลกเป็นทรรมกรรมการใครทำเราทำเองนะทำทำไมรึงทรเพราะเรามันโง่อยู่พราะเราไม่รู้เนี่ยตัวเอาช า, า้าบังทำไมถึงทำกรรมเพราะมันยากมันตันหายเห็นหมทีนี้า เพราะเอาชาบางพราะราดูเธอแล้วเนี่ยเราไม่ทําราจะโง่กันหมดเป็นวิชาขึ้นเพราะเราก็จึงทำทำเอาวิชาเป็นวิชาขึ้นให้รู้ขึ้นที่เราดูดูหมดในโลกเนี่ยมันคงไม่เทียงทั้งหมดแต่ล้วก็ไม่เอาเนี่ยขเขาเรียกพุทธศาสตร์บัณฑิตบัณฑิตพุทธศาสตร์นาแล้วก็นั่งดูคนยังไงคนเรวนั่งดูสิคน้นเที่ยวาเที่ยวครับกินเหล้ามาย่านคนเร็วทั้งหมดไม่ได้ทําทดีเลย เห็นไหมเราจะรู้เลยแหละเพราะเรียกนี่จบนะรู้เลยอ๋อถึงจบปริญญาโทปนีญญเอกมายังว่าพืชปนั้นยังเลวเท่านั้นทําตัวเองก็ว่าได้ทําให้ช่างค้นบุ่ญวายขนาะเห็นไหมทีนี้เราก็มาดูสิจะพูดว่ารัฐบาลทําเหล้ารัฐบาลต้องความต้องการรวยอะเขาทำให้ช่างเขา่าเราจะไปกินสิเราเลวมาไปกินเหล้านั่งนึ่งเขงมีลิเกมเขมิลก็ช่งเข้าไปละ เรายังไ่อยากดูีิก็มันเอาไปดูเองแล้วกามาบนเขาไม่อย่งจข่าเรื่องข้าเนี่ยันนี่มันน่าจะเกปะ๊ปัซี่หนักๆค่านางค่าลิเกนเห็นมค่าบุรีบรรัวเเนี่ยค่าเล่าขายากเกเป็นหนักๆไอ้ค น, น, นไดไม่ไม่กินก็ไม่ต้องเสียนไไม่ดูก็ไม่ต้องนาเข้าใจละ mm. ยติธรรมละ่ะเนี่ยเอาาเ้าอ่ะปเก๊ัี่านีงน้ำมันโน่นน่แพงไไปโน่น ใช่กันทั้งนั้นให้เล่าบุรีนก็ตอกขันมังแพงกันไปเนอะน้าํามันล่มมันเลิมมันแล้แลแลไม่กินแล้วต้องเสียงเอาาาง้าวไงฮเล่าเร็วนะขึ้นมาเสี้ยมันมังแพงกันไปเนอะแล้วไม่กินเราก็ต้องเดือดร้อนเห็นไหมมันทําพี่ตั้งนั้นแ่ะเป็นครูก็ท่อนตัวเองดีสง่งคนอื่น ตรงไส้ได้มากกว่าคุยกันถามกันเลยไอ้บรรโหน ย, ยิที่เห็นนูน่นเห็นนี่นะมันเครื่องพิสูจน์ดอกเข้าใจไหมเข า, ราเรียกว่ารูปคล้ำรูปคล้ำอยู่ะอะไรรังคว้าอะไรก่อนนี่ย <laughs> สุปฏิปันโนภควาโตสาวะสสังโฆ เนี <Yeah. S 2> ่ยเขาเห็นยังไงเป็นึี่บสถ์เขาเห็นแลมของโลกเป็นไม่เทียมเขาจึงละวางหมดเขาอยู่ในการโขเขาเห็นว่านี่แหละเขาเรียกสุปฏิวัโนเห็นแล้วก็ไม่เทียงอันนี้ก็ไม่เทียงเขาละวางหมดเลยอยู่ด้วยการโขเขาไปกินมือเบื่อเลยจึงเรียกว่าพิสุแปรผูเขอแล้วนั่นเห็นหรือเปล่าที่เป็นโบสถ์เห็นหรือว่าอยู่ในการขอเขาเริยืนด้วยกันมากมาก เดี๋ยมาพิจารณาด้วยไงยังไงผิดยังไงถูกเ <c oughs> นี่อสอนให้เข้าใจให้รู้บาคนยังไงผิดยังไงถูกจะไปหลงยึดถึงนกบฏ น, นานเน้องไอ้วัตถุทั้งนั้นแหละโบดเบิดนี่มากรติวิหารนี่ก็ทั้งนั้นร่างกายแล้วก็ถูกจทิงละปที่บสายของจิตนี้เห็นเห็นวัตถุเ่ามันดีทั้งนั้นแหละที่ปรลงแต่งขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกวัตถุธาตุทั้งหมด นี่มีคิดคล้องบ้างไม่มีคิดคล้องบ้างเท่านั้นเองเอคุยเห็นไหมทิ้งมันได้ไม่ได้นะฮะอันโต้ยังไปนั่งคุยกันบ้างย่าไปนั่งนอนแล้วคุยกันเพื่อเจ็ดวันไม่ยั่งได้เขาเรียกว่าประมาทนะวันนี้น่ะยังประมาทพยายามปฏิบัติให้มันได้เด็ดขาดให้มันแน่นอนเรบเกิดเกิดเป็นมนุษย์ กิจโฉมนุตตาปาิลาโภควาเป็นมนุษยหาได้ยากนะเกิดมามนุษย์นี่ต้องมีศีมอดิบูนั้ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก<ม>ิจชังรัตธรรมเทศวรนางการพบคํบสคาสัมพนก็หายากกิจโฉพุทธานํปปาโฑพบพระพุทธเจ้ามี่ก็หายากเพราะนั้นเราเกิดมาพบหมดแลนะ้วเรควรจะปฏิบัติละวางประเด็นมนุษย์โลกในประเทศมนุษย์แดนมนุษย์ในเมืองมนุษย์มันแดนมังเพนบารมีกันเห็นบางที่อื่นมังเพนไ ม, ม่ได้ ในนรกก็มอเพ้นไม่ได้สวรรค์ก็มองเพ้นไม่ได้ดวจักรลุกมามเพ้นข้ง า, งงงางล่างอาจารย์นะมีมนุษย์เดนเดียวแล้วอ็งดูซาเดชานมอเพ้นได้มไหมมนุษย์เนี่ยปฏิเสธแล้วรู้จักดีรู้จักชั่วแต่ไม่เอากันเอ็จะไปเกิดที่ไหนนะจะไปหลง น, นรกมันง่ายพระนี่แจงหลง น, นรกจะเป็นเปรตนี่ ง, ง่ายจะติดโล ก, ออกมากๆเข้าไปยักเด่นยักได้นี่กนตกกเป็นเพรตแน่นอน นะโอ้โหสาวาดนะครับนู่นลงอไ ว, ว้จีลงอวเวจีเป็นชนใหญ่เลยนักบวชแล้วเนี่ยใอ้พวกฟางกันทําคําทั้งสอนนี่อู้ไปจีบมาเจิ้งมัยังนูน่นเนี่ยนี่นี่ลงโลกกันทั้งนั้นโล ก, กันนี่เราเป็นผุกข้าวเลยแหละนี่เล่นโล ก, กันะมืดไม่เห็นอนะไรทีนี้ตะคลานเจอคนชกนนีกันกิน งินเองแล้วก็เกินอีกก็กินงินเองอยูนั้นแหะพระพเจ้ากัดองค์หนึ่งมันฟาแลบแลบหนึ่งเห็นทิ้งน้นนองกัดมืหมดหอยูนย่นั่นแหละนี่ลกันและไวจี้เนี่ยกาว่ามันยังก็เทวธาตเี่ก็กึงไวอยู่นั่นแนะพอพุ่งปลาจะทิศเหนือแล้วพุ่งแบบลที่ใต้ทะลุกันู่นทั้งทีศใต้กับพุ่งมาทั้งทิศเหนือทั้งล่างกับพุ่งทังบนงบนกับพุ่งล้ม่ะว น, นก็อยู่พันนี้น่ะกลึงเงิน ได้เาก็เกิดได้เราเกิดอยู่นั่นล่ะโลกัน A, U, ไอปุวยจีมีจริงทั้งนั้นแหละแล้วนี่เนี่ยทำชั่วทำชั่วก็ต้องไปที่นิมไปโดยจิตรูปในโลกอะไรนั่นเขามีก็ไปเข้ารูปเข้าใจไหมล่ะไม่รูปรออยู่แล้วสวรรค์มันก็เหมือนกันไปโดยจิตรูปบนสวรรค์เขามีอีกเออแดงเขามีแล้วโลกมนุษย์นี่ก็มาด้วยจิตรูปมนุษย์เขามีรออยู่ กระจายมาแล้วจันดีฌานเที่ยนข้ามมีโลกมันด้วยจิตทั้งนั้นแต่ทีนี้ไปนิพพานก็ไปด้วยจิตเห็นไหมละวางหมจิตสะ อ, อาดมดจนแล้วก็ไปโลกขบวนข้มมีรองรับไม่ใช่อารูปนี้ไปนะ่ะนี่เขาเรียกรูปประจําโลกสมบัติประจําโลกเขาเห็นไหมแก้วแหวนเงินทองของประจําโลกเขาเอาไปเขาไม่ได้นะ่ะเอาไปได้แต่คว า, ามดีความชั่ว สองอย่างที่นี่ชั่วกับพันลงแล้วรกดีกับพากลับมาบนสวรรค์ติดอยู่นั่นอีกอหมดบุญก็ลงกรามมาอีกหมดบุญกักรามมาอีกหมดอายุหมดเทวดานะก็ลงมาอีกที่ไทยสานลบทํกากราบชั่วไว้แหะก็เปิดเขาจึงว่ากรรมออกมามาไร่เนี้อมันจะคอยอยู่นี่แหละเองมาเกิดเป็นมนุษย์ราคาประกันเองนี่ไม่พ้นมีได้อย่างเดียวไม่มาเกิด เมื่อไม่มาเกิดก็เป็นอโหสิกรรมเห็นไหมนะจะมันนั่งอโหสิกรรมอโนสิกรรมมันนี้ไม่ได้เมื่อเราไม่มาเกิดเนี่ยถ้าไม่าเกิดต้องปฏิบัติละวางต้องละวงังทีนี้เองมานั่งดูเสิของในโลกมาเที่ยงเนี่ยบอกกันโกงๆแะของโลกมาเทียงแล้วไม่เอาทุกไอ้ชั่วแล้วไม่ทําเลยทีนี้ไอ้ดีอ่ะนี่ก็เป็นเหตุอีกทําบุญให้ฐานัสสาสีนี่เห็นไหม เดินภาวนาเนี่ติดสมาธิก็ติดก็อีกติดฐานติดศีลใช่ไหมติดขั้นงนั้นแหละที่ล ะ, ละวางหมดแล้วลไม่เอาถึงว่าคนบา้านนีเต็มจิตก็สะอา่านจนปลายฉีบพระรูปพังก็ไปทีนี้รูปมันเป็นแก้วต่างเดียวนี้ก็ดูก็ใส่เป็นแก้วต่างเดียวนี้ขับอานาจกินติดรับมา คนไม่รู้มันก็ยังว่าที่ขับไปเลยแล้วนั่งดูแตไม่มีของเรานั่นแหละคนนั่นแหะถึงแน่นอนในโลกนี้ไม่มีของเราจะเห็นไม่ของจะจำโลกทั้งหมดจริงมะคนนี้หลุดพนน้นแน่นอนไม่มีของเราทีนี้มันยังมีของกู้อยู่เนีน่ขนงกูก้นี่ของกู้กิวละ่ะมันจะไปได้ ย, ไกกยังไงโคก็ยังยังเป็นห่วง รัดจนวันนั้นโซนว่ายังไปลงเลยขององค์เจ้า น, น่ะก็เรียกปลูกครัมซีนไม่เชื่อการกระทำของตัวเองยิ่งะ <c oughs> วะถ้าทําดีมันก็ได้กับตัวเราทําชัว่วแหละกับตัวเราเขาจึงเรียกสโลปไปทํากรรมนี่มันนั่งยึดสงองค์เจ้ากันยู่นี่แหละคนลงทั้งนั้น่ะยังบนบานสารกล่าวนั่นน่ะลงทั้งนั้นเคเห็นนันแล้ว มานี่มันลงทรงๆเงงนี่มาเอ้าวมึงแน่จริงหักคอไปเลยเห็นหักคอนะทีม <c oughs> แล้วไม่เชื่อเดี๋ยวสมเชงนะยรมเราเชื่อแต่การกระทำของเราเขาว่าเอพยานภาษาลิบุตรนะพระพุเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่เชื่อต้องพิจารณาก่อน ที่น้างภาษาริบุตรคือใครเขาคือตัวปัญญานี่นแหละเขาเขาพูดมาเขาว่าแล้วมันใช้ปัญญาพี่นาคนยังงันโง่ไหมเ อ, งงอี่ก็โง่นีะมีปัญญาแล้วก็พิจารณามันจริงไหมวเนี่ภาษาริบุตรท่ามาเชื่อไอ้พระเจ้าสอนทีนี้แล้วมาดูสิมันเกิดธรรมะทั้งนั้นแหละภาษาริบุตรเป็นตัวปัญญาเนี่ยใช่ไหมถ้าปัญญาจะเกิดแดดอะไต้องอาศัยความสงบ นั่นแหละอจจะาจารย์ภาษาลิบุตรกั <c oughs> นได้ไหมถ้าเองไม่เกิดไม่มีความตงั้งงมันจะเกิดปัญญาเนี่ยแล้วภาษาริบุตรกับพโมคาลาเป็นเพื่อนกันคนมีอิทธิฤทธิ่คนจะทําอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ต้องอาศาัยปัญญามาและเพื่อนกันมาเนี่ยเรียนว่าไงเนี่ยธรรมาทั้งนั้นแหละ พันพทประวัตินะที่นี่วุ่นว้หนอขัดข้องหนอญาติโยกสถีในเมืองพาราณสีนี่วุ่นว้หนอขัดข้างหนอทีนี้ก็ไปยืดไอ้ว่าพระญาตินั่นน่ะไปยืดไอ้ยศตัวนี้แหละยศวุ่นว้หนอกัดข้างหนอไล่ละเนี่ยยดด้วยทวนนี่น่ะวุ่นว้หนอกัดข้องหนอไอ่ยศตัวนี้แหละแล้วไม่ยืดพระญาะิใช่ไหมละ พรพเจ้ากขบอกที่นี้ไม่คุ่นไหวหนอไม่ขัดข้องหนอสอนให้บวชซนะให้ละวางเสียยยธ า, าพระาัก์ทีเอามันอย่าหาคุ้นไหวนอผมละนี่ก็สอน่าทาทานกศกษาสิ่ก็ติดอีกสอนให้ละวาเลธาริาศย์ันสอนเลยให้ละวางซะนี่คำวมะคือบวชดี่าก็่เล่ไม่หายคุ่นไหวหนอขั้างหนอไม่เอายธาระ า, าศัตย์มันนี่ก็ยังเอากันอยู่เนี่ยคุ่นไหวหนอข้างหนอ พระบางองค์ยี่วิ่งเซอร์จะถามดาสักหนึ่งมึนไม่นอนหรอัดของนอนเดีวก็ไม่รู้กันจริงน้อนได้เนี่ยตรงนั้นงานได้นะ <c oughs> เออทำใจนักแน่นนะ อยู่ได้ก็นแน่แล้วว <c oughs> นะตัเนี้อ่ะเนีม่มามาเขตหงห้ามเข้ามา <c oughs> มันจะไล่เขาแต่มันชู้ได่จะนั่งดูอยู่อะดูปล่อยกันเม็ดอยู่ได้มันก็อยู่ได้ะได้ผลนะ ก็จัดงานทีวันุแจะดู่จะเก็บวันโอุ้ตาพิตักาปาวอินนนามามาปัาอิทิมันโต ทิมนโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมตมานาอัตังรูปปาธิมัญจาี่สังราชาวิรูปะโคตปะสาตตินาคานังอาทิปเตียมหาราชายัสสสิโสพุทธาปิตาสะมหาโวอินนนามาปัญลาอิติมนโต จุติมันโตวันนวันโตยาสัตสิโนโมธมานาอทังโสอุตตรันชาติสังราชากุเวรอนตาปะสะตติยาขานังนาทิปติมาราชายาสัติโสพุทธาพิตรสามภะวะอินนัณนามะปัญลาอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันตนยาสัตสิโนโมธมานาอทังโส ภรมะทิสังทัตตระโททักินเนนะวิรุลหโกปัชิเมนะวิโรภาโกกเวโรอุตระังทิสังยัตตารโตเตมาราชาสมัญตาจตุโรทิศัตตะละมานาอัถังโสสักเทกาเมจารุเปกิริสิคราตเตจันตลิเฆวิมาเนีทิเประเตจัขาเม ตรวนนาเนเคหาวะทุมิเกเตบุมาจายันตุเทวาละลวิสเมยยคาคันทับนาาติสันตาสันติเกยังมุนิวรวะตนังาโวเมทันโตธรรมสวนาคาโลอยมัทันตาธรมสวนกาโล อายามะทันตาธรรมสวัสดิกาโลอยมะทันตาสพังอธรตสาพังอัธเมมันเตกาสะทวารเยนคตังกาสะทวารเตเยนคตังสาพังอรมนาพังอ布ทัธเมมนเตกาสะมามินเต มหังพะวานหัตภาวังตุมหาการอริจารมิอาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญอาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอาพพุทธเจ้าทั้งหลายอ้อมอกกายถวายชีวิตเอองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์บารมีพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย สืบสืบกันมาขอได้โปรดยกจิตข้างข้าพเจ้าขึ้นโสภาวะพระกรรมฐานทั้งสี่สิบทันพระปีติทั้งห้าและวิปัสนาญาณทั้งเก้าขอพระกรรมฐานทั้งสี่สิบทัศพระปีติทั้งห้าและวิปัสนาญาณ ท, ทั้ทงเก้า จงมาบังเกิดปรากฏอยู่ในกายทวารอยู่ในวัจจิทวารอยู่ในมะโนทวารแห่งข้าพเจ้านาการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอได้โปรดยกจิตข้างข้าพเจ้าขึ้นสูภาวะแห่งเมฆจิตสามารถกโหนดจิตรู้ ภาวะการต่างๆทั้งเหตุและผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณาจิ ต, ท, จตที่ปรารถนาจะรู้รรเมื่อรู้แล้วขอหเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการ เหตุใ ด, ดที่จะพึงบังเกิดปรากฏแก่ข้าพเจา้าขอให้ข้าพเจา้าได้รู้เห็นเหตุ น, นั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดณนะกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ตั <c oughs> <c oughs> ้งคอมีสติรู้นะมีสติรับรู้เข้าไว้ว่าเล้วนี้เรานั่งกรรมฐานกรรมฐานเขาว่ามีฐานฐานได้แก่อะไรได้แก่อิทธิบาทสี่คือฉันทะความพอใจทํากรรมฐานจิตตะมันอาใจฝักใยในทําการทํากรรมฐานวิญญาเพียรทำทํากรรมฐาน วิมังสาแกล้ครุนดูนี่รัฐานของกรรมฐานคนนั้นทุกคนจงตั้งใจทําอย่าให้มันคาดอิทธิบาทรสีเราตั้งใจตั้งใจคือมีสติรับรู้ที่หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้หายใจเข้าลมหายใจเข้าไปลึกแค่ไหนก็ให้รู้หายใจออกลมยาวมาแค่ไหนก็ให้รู้ เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้จิตสงบที่นี้วิธีสร้างทิพ ป, ประจักขุคือเขาเรียกว่าตาทิพหรือจิตทิพสี่เขาเรียกวิญญาณ8ดทิพ ป, ประจักขุตาทิพปุปเพเนวาสารปติญาณและลึกชาติได้จูตูปัตญาสามารถรู้ว่าตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรอติตังสิยาน สามารถรู้อดีตนั้นเป็นมาอย่างไรอนาคตต่างสัญาณในอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงปัจจุบันนางสาัญาณรู้ปัจจุบันนี้ยะถากรรมมุตายานสามารถรู้วัชลโลกทํากรรมอะไรมาเจโตปริยานสามารถรู้วัชจิตคนและสัตว์ติคิดอะไรนี่วิชาแปดอันนี้นะวิชาอันนี้เป็นเครื่องทดสอบ ว่าเราเคยเกิดมาจริงไหมมนุษย์คนทาความดีเกิดไปเป็นอะไรคนทำความชั่วไปเป็นอะไรอันนี้เป็นเครื่องทดสอบไม่ใช่ขนทางหลุดพ้นอย่าสําคัญว่าฉันได้วิชานี้แลจะเป็นทางหลุดพ้นขนทางที่จะทําให้เราหลุดพ้นท่านบอกได้แก่อาสวขยานทําอาสวะให้สิน้นอาสวขยานคนนี้ได้แก่ อ, อะไร กามาสวะอาสวะเนื่องด้วยกรรมขอให้ท่านทุกคนจงพิจารณาทุกทวนดูว่ากามาสวะอารมณ์ในทางเพศเราจะละโดยวิธีไหนให้พิจารณาดูกายของเรานี่ยไปของสกปรกเห็นกายคตาสติว่าผมมันขึ้นอยู่อย่างไรมันแช่อยู่ด้วยผู้โผโลหิตจริงไหมหนังมันอยู่ด้วยอะไรไอ้ขนมันขึ้นอยู่อย่างไรมันก็แช่อยู่ด้วยผู้โผโลหิตให้พิจารณาดู ขคงสกปรกทั้งนั้นในร่างกายของเราให้ดูโคงกระดูกตับปอดไสใหญ่ไสน้อยให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลแล้วก็พิจารณาสุภกรรมฐานคนเราตายวันหนึ่งเป็นอย่างไรให้พิจารณาตามสองวันเป็นอย่างไรให้พิจารณาตามดูสามวันเป็นยังไงส่วันเป็นอย่างไรให้เห็นสภาพฟ้ามไม่เที่ยงฟ้าเปื่อยเน่าของสังขารห่้ากาย เพื่ออะไรเพื่อมาตัดกาบมัตัาหาตัวนี้ว่าโอร่างกายได้ประสกปรกโฉโครกผู้หญิงก็สกปรกโฉโครกเพื่อจะได้ตัดกาบมาตัาหาทีนี้เมื่อเราพยายามพิจารณาอยู่เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราตัดละวางได้ไหมเรารู้ไหมว่าเราตัดได้ตัวนี้สติเราเชื่อไหมว่าเราตัดได้แล้วก็เพี้ยนพิจารณาดูตัวนี้วิริยะ แล้กวก็ดูสมาธิประจิตแล้วยังสงบไหมถ้าจิตแล้วสงบเราก็ยกใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปว่าสมบัติในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงจริงไหมตายเอาไปไม่ได้จริงไหมเรารับรู้ยังสติรับรู้ยังว่าเราตายเอาไปไม่ได้เรามีศรัทธาเชื่อไหมว่าเราตายเอาไปไม่ได้มีความเพี้ยนพิจารณาดูแล้วก็รู้ว่าเราตายเอาไปไม่ได้ แล้วก็ดูสมาธิของเราจิตยังนิ่งไหมเมื่อ น, นิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจานาไปขณานอีกทุกอย่างให้มันแพ้ไปให้ฟ้ามโง่มันแพ้ไปดี่แต่ ว, วิธีทาําอาสวะสิน้นวันนั้นขอให้ทุกคนจงพิจนารณ์นะอ่ะับเริ่มทํากันได้ <c oughs> อีกคอร์ดอีกหน่อยหนึ่งอาสะวะเนื่องด้วยภพคำว่าพบหมายถึงที่เกิดพียูเราลงพิจนาด้วยว่าเราทําทาน ทานพาได้ไปเกิดบนสวรรค์มีใช่ภพไหมเมื่อไม่เกิดก็ต้องมีรูปแล้วเที่ยงไหมไม่เที่ยงนิดศีลก็พาได้ไปเกิดในที่ดีเห็นไหมเมื่อเกิดแล้วก็มีรูกอีกเขาเรียกว่าอาสวะเนื่องในพบทําอย่างไรแล้วจะหลุดจากภพอันนี้จะหลุดจากภพอ น, นี้ได้ก็เราจะไปยึดมั่นถือมั่นในศีลและทาน แต่เราทําไปอย่าไปยึยดมั่นถือมัน่นนี่แหละวินทางที่จะหลุดพ้นของเรา